สำหรับผู้ที่มีบุญน้อยนี่ถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขอย่างไงอย่างไงมันก็ไม่พอใจอยู่แล้วแหละไม่พอใจในความสุขอันเกิดจากความสงบมันชักจะพอใจอยู่ในความสุขอิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสตุ้มปวดเข้ามาแล้ว ก็ดิ้นอยากสึก อ, ออกไปหามันอันนี้จะบ่กเป็นความไม่ฉลาดของคนเราว่าไม่ฉลาดก็ได้บุญน้อยก็ได้คนบุญน้อยนี่ธรรมดาอยู่เองเนอะเมื่อบุญน้อยแล้วกิเลสมันก็ไหลยัง<ม>ก็ต้องร่องรอยเพื่อทำอำนาจของกิเลสไปอย่างนั้นแหละคนบุญน้อยนะ ชาติแล้วก็ชาติเล่าเกิดมาชาติใดก็จะมาตกเป็นธาตุของตันหายอยู่งนั้นแล้วไม่มีเวลาที่จะได้สั่งสมบุญกุศล <c oughs> เอาแต่จใจไปจดจ่ออยู่เท่ในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั้นม่อก็ไม่ได้บาเพ็ญบุญกุศลอะไรเลย นี่นคนเรามันเทีงว่าวีบุญน้อยอยู่เรื่อยไปนยะก็เกิดมาแต่ละชาตินี่ซึ่งอย่าคิดสั่งสมบุญกุศลนะให้มากไม่มีไปสั่งสมดังตะกิเลศสั่งสมด้ยวยความรักความชังให้มากขึ้นในใจว่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำบุญกุศล <c oughs> มันก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้เจริญขึ้นในจิตใจได้ <c oughs> การเป็นนักบวชเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลได้มากที่สุดเลยเพราะมันไม่มีกังวลเกี่ยวกับการทำมาหาเรียงชีบอย่างที่ว่ามานั่นะเพราะฉะนั้นผู้ใดมาเห็น ทุกเห็นโทษในความเป็นผู้มีบุญน้อยแล้วก็ไม่ควรที่จะซึกหาลาเพศออกไปเลยเราจะสั่งสมบุญกุศลในสมณาเพศนี้แหละเพื่อให้บุญกุศลมันแก่กล้าขึ้นไปนี่มันก็ต้องดำริดในใจอย่างนี้แต่ถ้ารู้ตัวว่าตัวบุญน้อยแล้วก็ยิ่งไม่ทำยิ่ง ดิ่นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานั่นซะมันก็น้อยอยู่นั่นแหละบุญนะมันจะไม่มากขึ้นเลยเกิดไปชาติใดก็จะมีแต่คนแตะบุญน้อยมีแต่ทุกข์ยากลําบากขาดเขินอะไรต่ออะไรอะไรก็ไม่สมบูรณ์เลยสติปัญญานในก็ไม่สมบูรณ์ใ <c> น <oughs> ความจริงเนะี่ยมันบุคคล ท่องเที่ยววันในสงสารนี่มันตกเป็นาตาของตันหาไม่ได้มีเวลาสั่งสมบุญกุศลมามันนับชาติไม่ท่วนนล้วแหละอเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี่เนะนี่ยนะี่แหละชาติที่เราเกิดมาชาตินี้เป็นสักขีพยายนเลยเป็นสักขีพยายนว่าแต่ชาติก่อนนั้นนะไปมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ตในกามมาคุณไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มาก เพราะนั่นเกิดมาก็เกิดในตระกูลต่ำไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีไม่ได้เกิดในตระกูลกษัตริย์อืมไม่ได้เกิดในต ร, นกระกูลเจ้าขุนหมุนนายผู้มีเกียรติมียศไม่ได้เกิดในตระกูลพ่อข้านายห้างอันมีเงินพันล้านหมื่นล้านนู่น มอเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญหาเช้ากินค้ามไอ้มนี่เนี่ยเ็นคนนึกถึงตัวว่ากับพ่อแต่ก่อนตัวมอมาประมาทไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากนั่นแหละทำบุญก็เพียงนเล็กน้อยๆพอให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเท่านั้นเอง <c oughs> ได้แต่ตัวนี้นั่นได้แต่ร่างกายอันนี้คุณสมบัติพิเศษไม่มี เ, เงินทองเข้าคลองอเกียรติยศชื่อเสียงสติปัญญาอะไรพวกนี้ไม่มีมีกันน้อยไม่พอที่จะนํานวยความสุขให้มากมายอะไรเลยได้ความสุขเพียงนิ ด, นดหน่อยๆเท่านั้นเองเหลือนอกนั่นก็เป็นแต่ความทุกข์ออลองคิดดูสิ <c oughs> ทั้งนี้และทั้งนั้นนะ่ะมันก็เกิดมาจากกา ร, รมตัญหานี่ยนะเป็นมูลเหตุบางคนมีแต่ปล่อยทัวให้พเพลินไปในกา ร, รมตัญหามั่นแหลมากต่อมากนะเพราะฉะนั้นบวชเข้ามาแล้วมันจึงไม่พอใจในการที่จะศึกษาเราเรียนทำรรมวินัยไม่ยินดีที่จะท่องจะบุญจดจําเอา เพราะว่าใจมันหมุนไปหากรามมากิเเดตันหานู่นมากตัวมากมันจะไม่พอใจเนี่มันจะพอใจในธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรแล้ว <c oughs> ผู้ที่พอใจในพธรรมวินัยนี้ล้วนแต่เป็นผู้เห็นโทษแห่งกรามมาคุณไม่ท่งใจของตนให้ ปรุงแต่งพุ่งซ่านยินดีพอใจไปในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆภายนอกนั้นไม่ส่งใจไปเพราะเห็นโทษของมันนี่เบื่อมันมันเป็นของไม่เที่ยงจีบไปยินดีกับมันทำไมธรรมดาผู้มีบุญผู้มีวาสนามีปัญญามันก็มองเห็นอย่างนี้แหละอันคนมูคนมีบุญน้อยนี่ ไปเห็นลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นของดีวิเศษทำความกำหนัดยินดีอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้จะปล่อยจากว้างเลยเพราะมันสำคัญผิดคิดว่าสวยงามคิดว่าน่ารักใข้เชยชมอะไรมูเน่เมื่อเข้าใจผิด แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นถ้าพี่นาด้วยปัญญาจริงจังลงไปล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยมันประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุเท่านั้นเองถ้าหาว่ามันเที่ยงยั่งยืนก็ยังชั่วน้อยกดสมควรจะยินดีพอใจอยู่อันนี้นะมันไม่ เที่ยงไม่ยัางยืนอะไรเลยอันนี้แต่พระศาสดาสอนให้พิจารณาให้มันเห็นความจริงในสิ่งเหล่า น, นี้แล้วมันจะได้คลายความกำหนัดยินดีลงเราบวชเข้ามาแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องมูกนี้ให้มันรู้จริงลงไปเพราะว่าผู้บวชเข้ามานี่ เป็นคนมีบุญมากพอสมควรนะจึงได้มาบวชเมื่อบุญตนมีอย่างนี้แล้วนะแล้วตนก็อาศัยบุญเก่านี่ในวันนี้นะเจริญสมถาวิปัสสนาเข้าไปเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมานี่ เนี่ย ว, ว่ามันมันเลื่อนขั้นขึ้นไปอ่าบุญแต่ก่อนมันส่งมาให้เราได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วบวะนี้เรามาสั่งสมบุญใหม่เข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปอีกกับบุญเก่าเมื่อบุญใหม่มันมีกําลังกล้าขึ้นไปมันก็ทําให้ใจสงบได้ทําให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้น สามารถถอนตัวออกจากลมคือกา ร, ร ม, มักีเดตันหาเหล่านั้นได้ ừ, ผู้บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องศึกมันเมื่อได้รู้เหตุผลดังกล่าวมานี้ล้วผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ศึกกัน <c oughs> ผู้ไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้มันก็อย่างว่ามันก็ตกเป็นทาสของตันหาไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะ <c oughs> เนื่องจากชีวิตนี่มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันจึงต้องมีการต่อสู้กับความแปรผันของชีวิตชีวิตนี่มันเนื่องมันเนื่องกันเหมือนกับลูกโซ่นี่มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้ มันผัวพันกนนนันเหมือนกับลูกโซ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้เข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วนึกว่าเราจะอยู่สบายสบายมันไม่ใช่หรอก ผู้บวชผูมยังไม่ได้บวชก็คิดว่าบวชเข้ามาแล้วมันจะสบายมาอเองก็ห น, นีมาบวชท่านบวชเข้ามาแล้วก็เอาแลวมาต่อสู้กับอะไรต่ออะไรสาฬพันนด น, น, นี่เด่นนะนี่ถ้าศึกออกไปแล้วเห็นจะสบายมึงเขาอ่อ เห็นจะไม่ยุ่งยากอย่างเมื่อบวชอยู่หว oh. อันนี้แหละคนเราไม่รู้ความจริงของชีวิตแล้วมันจะอยู่ยังไงยังไงมันก็ไม่มีความสุขเนื้อไม่พากันเข้าใจศึกออกไปนั่นแะมันยิ่งร้ายใหญ่มันยิ่งได้ต่อสู้ อะไรต่ออะไรสารพัดเป็นครือหัาไปแล้วนะถ้าไม่มีเงินใช้ล้วก็เป็นทุกข์ใจไรเนี่ยมหาทุกข์มันอยู่ที่ไม่มีเงินจะใช้นะั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรอนะ่ะนัเนีอยอันที่มันจะไปคิดทุจริตไปจี้ไปปล้นไปลัก ขโมยของเขามเงินก็เพราะมันมันนั้นเนี่ยมันไม่มีเงินจะใช้เมืม่อมีเงินจะใช้แล้วมันก็ไม่มีความสุขเลยอือยากได้อะไรก็ไม่ได้ตามประสงค์อย่างงี้นะบัา น, นี้ตัวเรามีบุญน้อยบ้า น, นี้บุญของตัวสร้างมาแต่ก่อนนั้นมันน้อยแล้วอยากรวยอยากมีเงินมีทองใช้จ่ายไม่อั้นเหมือนอย่างเศรษฐีเขา อ, อย่างนี้แล้มันจะไปได้ยังไงอ่ะตัวทำแต่ชาติก่อ น, น, นตัวละมัวเมาประมาทอยู่นี่ไม่ทำบุญกุศลไม่ทำความดีให้มากไว้อย่างนี้นะแล้วจะให้มันได้รับความสะดวกสบายไม่มีทางแล้วเมื่อเกิดมาในชาตินี้อีกทําไม่คิดที่จะทำความดีอะไรให้มากมายเข้าไป บวชเข้ามาก็ไม่ตั้งใจศึกษาเรียนธรรมวินัยไม่ตั้งใจด้วยพระภาวนาอย่างนี้แล้วมันจะเอาบุญกุศลที่ไหนมาเชิดชูจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในพระมจรย์ได้ฮะนั่นเอง การนั่งสมาธิภาวนาการเดินจงกรมการทำกิจวัตรต่างๆหมดนั่นนะมันก็ล้วนตั้งแต่การบำเพ็ญบุญกุศลทั้งนั้นเลยนั่นเเมือ่อผู้ใดรู้ว่าการทำกิจวัตรต่างๆวันนี้เป็นบุญกุศลก็ไม่พอมากนะมันก็ทำกิจวัตรต่างๆเหล่านี้ให้เต็มความสามารถเลยทีเดียว ไม่ต้องเกี่ยงงอนให้คนโน้นทำให้คนนี้ทำอะไรใครนึกได้ยังไงก็ทำเลยกิจวัตรต่างๆไม่ต้องเอาเปรียบเอาเรียบกันะใครทำมากก็ได้กุศลมากใครทำน้อยก็ได้น้อยมันก็เป็นอย่างนั้นแ่ะเหมือนอย่างหาเงินนันเองกูได้หาขยันขันแข็งมีสติปัญญาดีมันก็ได้เงินมาก ผู้ใดไม่ขยันมันเพียนมีสติปัญญาก็น้อยหาเงินมันก็ได้น้อยก็อย่างนั้นหาบุญกุศลก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากเมื่อเราบวชอยู่เราก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ในเพศนักบวชนี่แหละเอาเราบุญน้อยเราจะสั่งสมให้มันมากขึ้นอย่างนี้นะ อย่าไปคิดว่ามีเงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแ ส, สนแล้วอย่าไปทอดผ้าป่าบังสกุลทอดกระทิ้นให้มโหรานอย่างนั้นจึงชื่อว่าได้สร้างบุญกุศลมากอย่าไปเข้าใจแค่นั้นอันนั้นมันตื้นไปการที่เราสำรวมกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์อยู่นี่ไม่ทำบาปทำกรรมอะไร ทำแต่ความดีอยู่อย่างนี้อันนี้แหละก็เรียกว่ามันเป็นบุญกุศลยยิ่งกว่าทอดกรินผ้าป่าบางสกุลที่ชาวบ้านเขาทากันนะั่นนะสาอะไรเท่านั้นหนึ่งไม่เที่ยวที่นักบวชมานั่งสวทธ่ภาวนาทำใจสงบแม้นาะทีหนึ่งก็ยังได้อา น, นิสงส์มากกว่านั้นอีกไม่ใช่ย่อยๆไ อ, อการบวชนี่นะถ้าหากว่าเราทาจริงนะนั่นเนี่ย เราฝึกตนจริงเด็ดเดียวลงไปนั่งสมาธิไปแล้วถ้าใจไม่สงบเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี่แหละตายกับนี่เลยวะงั้นมันกลัวตายจิตมันก็ลงสิบะเนี่ยนั่นถ้าไม่เอาตายมาขูมนนะ่มันแล้วมันจิตเนี่ยถ้าลงอธิษฐานลงอย่างนั้นแล้ว นั่งลงไปถ้าจิตมันไม่ไม่ยอมสงบเราก็จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้เอาสิสู้กันอย่างนี้นะนั่นนะมันจะเจ็บจะปวดมันจะยังไงยังไงก็ช่างมันเอาสิตายกับนี้แนละ้วถ้าไม่สงบอะ่ะถ้าตั้งลงอย่างนั้นแล้วแน่นอนนะ่ไม่เหลือวิสัยเลยจิตมันต้องลงไปแนะ่ต้องสงบอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่าไปโยทอง่ายไปอย่างนั้นเนี่ยอยู่ๆกันไปจนเคยเละเทะอย่างใดมาก่อเละเทะอยู่งั้นไม่รู้จักเก็บสิ่งเก็บคล้องทำที่อยู่ในห้องนอนห้องนั่งอะไรสกปรกรบ ก, กรุงลังเหมือนเนี้ยพ่พอพร เครื่องใช้ไม่สอนต่างก็ไม่เก็บให้เป็นที่เป็นทางทิ้งแล้วเขยละกา ว, ว้ยโมเนียใช้ไม่ได้เลยชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติแบบนั้นของใช้ทุกอย่างนะจะเป็นของส่วนตัวก็ดีของสงก็ดีมันต้องระมัดระวังให้เต็มที่เลยอย่างนั้นมันยังค่อยสมกับว่าผู้ปฏิบัติ ถ้าไมเหลือไสิส่กางกงกยากให้มันแตกอย่าให้มันเสียหายอันจอกแก้วนี่นะมันไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนะี่ยควรจะเอาเพียงแค่ไว้รับแขกเอาให้ใส่น้ำดื่มรับแขกที่เขามาทำบุญชุบก้างชุบคาวพอแล้วเราใช้ จอกพลาดสติกกันนี่เอามันถึงไม่แตกก็คนมันสติก็ยังอ่อนแออยู่นี่นั่นนะใช้ของยังไม่ระมัดระวังเต็มที่ได้หน่อยหนึ่งไปทำแตกแล้วมีร้อยก็แตกทั้งร้อยเลยถ้าขืนเอามาใช้กันอยู่เนี่ย ตอนนั้นเมื่อเราสติมันยังไม่สมบูรณนะ์ะมันก็ต้องใช้จอบพัฒนิกันละไปก่อนนะ <c oughs> ให้พากันตั้งใจฝึกตนให้มันดีไปเรื่อยๆว่าคนเรามันจะดีได้ก็เพราะเกี่ยวกับการฝึกนี้ ฝึกตั้งแต่ข้อวัดปฏิบัตินี้นะไปนะข้อวัดปฏิบัติภายนอกนี่นะี่ยให้มันเรียบร้อยฝึกระเบียบมาประชุมให้มันทันกันอย่าไปเฉยชามูนี่มันต้องฝึกทั้งนั้นนะใครไปทำอาการอืดอาจยืดยาติอยู่งั้น มันได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เฉื่อยช้าอืไม่เคารพต่อระเบียบอยากมาเวลาไหนก็มาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนแข็งกระด้างไม่เคารพอ่อนน้อมต่อระเบียบในที่ประชุมในอปริหาริยธรรม ก็พูดกันบ่อยๆอ ย, อยู่มันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกอะไรโมนี้เขาบอกพร้อมเพียงกันประชุมก็หมายความว่านัดกันเวลาไหนก็ต้องเตรียมตัวมาให้มันทันเวลานั้นอย่างนี้ก็จึงเดียกว่า พร้อมเพียงกันประชมุมอ่ะอนน้นัดกันเวลาหนึ่งเสวนาเวลาหนึ่งอย่างนี้มันพูดอะไรสู่กันฟังมันจะรู้ทั่วถึงกันได้ยังไงละ่ะอันเมื่อตอนทาผิดทาพลาดลงไปแล้วเพื่อนเตือนอ้าวไม่ได้ยินนาะเรื่องนี้ป่าวะผมไม่ได้ยินเลยอมันจะได้ยินยังไงล่ะเวลาเพื่อนพูดตัวไม่มาประชมุม ไม่มานั่งในที่ประชุมเนี่ยมันต้องตั้งใจยิงๆีงสิเราไม่มีธุระอะไรหนักหนานะเราคิดดูอ่ะชาวบ้านผู้ครองเรือนเขาเขามีธุระมากเหลือเกินธุระขเขามันมากมายเราเป็นนักบวชเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกับการทรมาหาเรื่องชีพอะไรเลยฮะไม่แต่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนของตนให้มันสงบระ ง, งับให้มันเรียบร้อยฝึกสติปัญญาให้มันเกิดขึ้นนี่นะมีเท่านี้น ะ, ะหน้าที่ของเรานะมเพราะฉะนั้นทำไมเราจึง ไปทำตัวเป็นคนอืดอาจยืดหยัดอย่างนี้ถ้าไปครองเรือนเรามันจะหากินนานเขาไงอ่ะการงานต่างๆมันก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันนะถ้าเลยเวลานั้นไปแล้วก็เป็นไปไม่ได้การงานอันนั้นอย่างนี้มันมีอยู่คนผึกขัดทำอะไรไม่ตรงตามเวลาห่ะไม่ไหวจริงๆอ่ะ ถ้าไปคลองเรือนเขาหากินไม่ทันเขาเลยถ้าเป็นงานของราชการก็ยิ่งเสียหายถูกตัดเงินเดือนหมดถูกตำหนิอะไรต่ออะไรไปไม่เ้าหน้าไปได้เลยแม่งานตำรวจทหารยิ่งแล้วเลยงานตำรวจทหารเขาต้องถือเวลาเป็นเกณฑ์เลย ใคร่าเป่านกหวีดเรียกประชุมอย่างนี้ใครมาประชุมไม่ทันเอาถูกลงโทษ ม, มันต้องครานั้นมันนิ่งค่อยได้อันคนหมู่มากอยู่ร่วมกันแล้วโดยเฉพาะตำรวจทหารนี่มันเป็นการฝึกผลให้ให้พร้อมเพียงกันถ้าไม่ทำอย่างนั้น เวลาค่าศึกโจมตีมาอย่างกระทันหันเนี่ยมันจะรวมตัวกันไม่ได้รวดเร็วเลยะนะเนี่ยนี่แหละมันต้องเอาอะไรสังเกตดูสิไปบังแดดไปที่แดดมันส่องตรงไหนอะ <c oughs> ที่นะกงคว ง, ควงดูสิ ระเบียบของโลกเขาอ่ะเขาทำยังไงกันบ้างนี่วันนี้ระเบียบในทางธรรมมันก็ยิ่งกระชับเข้าไปกว่านั้นอีกเนี่การฝึกตนนะให้พึงเข้าใจมันต้องฝึกเริ่มไปแต่แต่ภายนอกพี่ต้องทำตามระเบียบให้มันมพยายามทำให้เต็มที่เลย อเ <c oughs> มื่ออย่างนั้นแล้วการปฏิบัติทางภายในจิตใจนยมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าใจมันจดจ่อยอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้ก็แสดงว่าใจของผู้นั้น่ไม่เพลินไปทางอื่นอืพอ <c oughs> ถึงเวลาทำมันนั้นก็ลงมือทําถึงเวลาทําอย่างนี้ก็ลงมือทําอย่างนี้นะอันนี้ มันก็ระลึกได้เพราะมันไม่ได้สรงใจไปข้างนอกมันมีสติควบคุมจิตอยู่เสมออย่างนี้นะถึงเวลามาแล้วมันระลึกได้เลยคนผู้สํารวมจิตใจตัวเองอยู่อ่ะถ้าปล่อยใจเพลินให้มอไปทางอื่นแล้วไม่ได้ลืมไปหมดลืมข้อวัดปฏิบัติลืมเวลเวลาไปเลยทีเดียวออะเนี่ยเพราะฉะนั้น การรักษาระเบียบหรือว่าการเวลาเกี่ยวกับข้อข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันยังชื่อว่าเป็นการสํารวมจิตยอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่สํารวมจิตของตนเนี่ยมันบกคล้องไปเลยข้อปฏิบัติภายนอกนะมันนี้ถ้ามันเพลินไปลืมข้อปฏิบัติภายนอกแล้วนี้่เราจะมาทําใจให้สงบเป็นสมาธิลงไปอย่างเนี้ยมันจะได้ยังไงอะ ตั้งแต่ข้อปฏิบัติหยาบภายนอกอนี้มันก็ยังบกกล้องอยู่แล้วย่างงี้นะมันจะไปได้ยังไงอ่ะนั่นต้องพิจารณาดูให้ดีได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาู่ภาคอีสานนี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศล อย่างหนึ่งเร้วก็ามาส่งเสริมพระพุทธศาสนาทางด้านปฏิบัติวิปัสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปอันนี้เป็นความหมายเพราะว่าวัดวาอารามไม่อดไม่อยากเราจะทำบุญทีไหนก็ดได้แต่ที่เราจะลิกมาทางไกล ก็เพราะเราเห็นว่าพระพุทธศาสนานี่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้โดยอาศัยการปฏิบัติอาศัยพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าพร้อมใจกันปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าตามอนุรูปของตนของตนหรือว่าเป็นครืหัดก็ต้องปฏิบัติตามคุณธรรมของคริหัด เป็ น, นักบวชก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของนักบวชซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนไว้ทีนี้เมื่อต่างฝ่ายต่างก็ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถของตนของตนและอย่างนี้พุทธศาสนาก็ตั้งยั่งยืนอยู่ได้ สืบต่อกันไปเรื่อยๆ อ, อย่างว่าพวกเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะเรามาบำเพ็ญบุญกุศลมีข้อวัดปฏิบัติมีข้อวัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสอนของพระเจา้าเป็นตัวอย่างนเนี่ยลูกหลานที่เกิดมาในภายหลังน่ะ เขาเห็นยังอย่างเอมารดาบิดาปู้ย่าตายายของเราได้กระทําไว้อย่างนี้แนละ้วเขาก็เอาอย่างเลยอนัอ่นแหละมารดาบิดาพาละความชั่วทําแต่ความดีถ้าไปชนีลูกๆมันเห็นตัวอย่างพ่อแม่ทําเมื่อมันเจริญไว้ใหญ่โตมาเขาก็ทําตาม นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาจะตั้งยังยืนอยู่ได้น่ะก็ด้วยอาการที่เรามาประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้า <c oughs> ทําให้กิเลสน้อยเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจเมื่อกิเลสน้อยเบาบางออกไปแล้วคนเรามันก็ไม่ทาชั่วแหละอืมันก็ทํำแต่ความดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เราก็ให้เอาภัยซึ่งกันและกันไปธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้น <c oughs> คนเราเมื่อไม่เบียเดเบียนซึ่งกันและกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้เริ่มตั้งแต่ครอบครัวนี่แหละออกไปนะในครอบครัวหนึ่งๆเนี่ยเรามีคุณธรรมต่างก็ถือธรรมเป็นใหญ่ประพฤติต่อกันให้เป็นธรรม เช่นในระหว่างสามีกับภรรยาอย่างนี้ก็พอพึ่ต่อกันให้เป็นธรรมอย่าไปลำเอียงด้วยอำนาจแทงกีเลตตันหาออย่างนี้เมื่อเราพอพึิต่อกันโดยความเป็นธรรมแล้วเราก็อยู่กันอย่างสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรไม่ได้ทะเลาะวิวาดผิดเถียงกันเลยเพราะว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจนะ้านสอนให้คนเราชอบความสงบ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบนั่งนานๆไปพอเป็นทุกข์ขึ้นมาผนลุกไปเดินสัแล้วความทุกขนะ์นั้นมันก็มีปรากฏแลว้วเปล่าเนี่ยหรือมีท่านักกันนอนสะอย่างนี้นะความทุกข์นั้นไม่ปรากฏเลยดูเหมือนว่าตนไม่มีทุกข์แบบนี้นะเนี่ยมันมันมันมันลืมตัวตรงนี้แหละคนเราอ่ ะ, อะแต่ถ้าเราได้ทดสอบกำลังใจตัวเอง้วยอ๋ นั่งให้นานๆนนลองดูสิมันจะเจ็บปวดถึงขนาดไหนมันจะเป็นทุกยังไงบ้างสังขารอันนี้มั้งเมื่อเวลาจะจะตายมามันมันก็จะต้องเป็นทุกหนักนะกระทศสอบอดูรสชาติแห่งความทุกข์ลองดูสิเวลายังไม่ตายเนี่ยอย่างนี้นะเราทดสอบดูนะทดสอบกาลังใจนี่นะเมื่อเกิดทุกขเวดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้ว จิตของตนเป็นยังไงมันมันรู้เท่าไหมมันตั้งมั่นอยู่ไหมอย่างงี้น ะ, ะถ้าหาว่าจิตใจนี่สมาธิอ่อนอย่างนี้พอทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็เอาแล้ววันไว้ไปเลยอไปอย่างนั้นมันก็รู้ตัวได้เลยว่าเรายังไม่รู้เท่าทุกแบบนี้นะอ่ะก็รู้ได้แต่ถ้าหาว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้ จิตมันตั้งมั่นอยู่ได้มีสติควบคุมจิตอยู่ได้ไม่หวั่นไหวต่อทุกเวทนานั่นอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตนั้นรู้เท่าทุกได้อมันทดสอบก็ไปนในตัวแหละเรื่องหวนี้นะถ้าใครไม่ทําไม่รู้หรอกอไม่รู้ฉะนั้นอย่าไปกลัวตายไม่ตายหรอกขณะนั่งไปแล้วมันเจ็บมันปวดนี่ไม่ตาย <c oughs> ไม่ตาย อย่าไปกลัวเลยอย่าไปกลัวเลย <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ปฏิบัติทางวิปัสสนานี่มันก็ต้องผ่านเรื่องพวกนี้ไปะมันยังค่อยได้ถ้าหากว่าไม่ผ่านทุกขเวทน า, าต่างพวนี้ไปก่อนก็ไม่ก้าวไปได้เลยจิตใจ เวท น, <c oughs> นามันก็เกิดมาจากสัมผัสเราต้องพิจารณาเรื่องสัมผัสนั้นอีกทีหนึง่งบรรดาความทุกข์หรือความสุขมันก็เกิดจากสัมผัสนั่นแหละถ้ามันสัมผัสนุ่มนวลอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นสุขดีอย่างนี้นะ แต่ถ้ามันสัมผัสหยับหยับเข้าไปอยไอ้นี้่มันก็เกิดทุกเวทนาขึ้นมาแล้วแบบนี้นะมอนเป็นยังไงลองสังเกตดูเรื่องสัมผัสนะสัมผัสอะไรหายใจเข้าหายใจออกนี่นะอันนี้อะสัมผัสอ่ะอืแต่ถ้าว่าร่างกายมันวิบัติแล้วเอาแล้วความรู้สึกได้รู้สึกว่ามันหยาบขึ้นมาทีเดียวอะอะืแต่ถ้าว่าโรคภัยไม่ เดียนเยวนร่างกายร่างกายเป็นปกติอย่างนี้เราหายใจเข้าหายใจออกนิครองแค่ดีรู้สึกว่าสบายใจนี่นี่เป็นมันเป็น ส, สัมผัสที่นิ่มนวลอ่อนละเอียดความทุกข์ก็เลยไม่ปรากฏแบบนี้ก็เลยสบายใจไปแต่ถึงยังไงท่านก็เรียกว่าทุกขเวทนาเนี่นั่นแหละ ก็ยังเป็นเวทนาอยู่คือว่าจิตใจเสวยอารมณ์คือความสุขก็จึงเรียกว่าสุขเวท น, นาเวทนาแปลว่าใจเสวยอารมณ์น ะ, อ, ะอย่าไปหมายเอาอย่างอื่นหมายเอาใจที่เสวยอารมณ์เสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนี่นะท่านเรียกว่าเวทนาเพราะฉะนั้นไอ ผู้ภาวนาแล้วมันต้องพี่ณาเรื่องสัมผัสอันนี้ให้มันเก็มแจ้งในใจถ้าไม่พิี่ณาสัมผัสอย่างนี้นี่เวลามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมันเลยอะโอ้ทำไมมันจึงเป็นทุกข์อย่างนี้หนอเพราวะว่าเอาเราวิตกวิจารณ์อยู่นั่นนะไม่ไม่ไมค้นหาเหตุมันไม่พบแล้วอืมถ้าว่าผู้เข้าใจอย่างว่านี้นั่นนะ ๋อมันเกิดทุกขเวทน า, าขึ้นมามันกำหนดรู้แล้วอ๋อนี่ขณะ น, นี้ร่างกายมันแปรปวนมันวิบัติเออมันจะแตกแก๊ดับมันจึงได้สัมผัสอัญญนหยาบลนอย่างนี้ <c oughs> สัมผัสทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงนี่มันก็พี่าณาลงนั้นเลยไม่ใช่เป็นของเที่ยงของกิรังแย่งยืนอะไระมันแตกมันดับทั้งนั้นแหละสัมผัสเหล่านี้ ถ้าว่ารูปแตกน้ําก็ดับลงไปแับ น, นี้สัมผัสทั้งหลายแล้วนี้มันก็ดับไปหมดนี่มันจะมีอะไรเที่ยงเรานี่สอนใจของเราให้รู้เท่า ส, มสัมผัสเหล่านั้นแล้วมันก็เมื่อเวลาเกิดสัมผัสก่อนนุ่มนี้เป็นสุขสบายดีก็ไม่ดีใจเวลาได้ได้รับสัมผัสอันเป็นทุก ข, ขเวทนาขึ้นมาก็ไม่เสียใจแับ น, นี้นะ เมื่อมันรู้เท่านะมันไม่เสียใจละเมื่อสัมผัสหยาบหยาปรากฏมาก็ดีไม่เสียใจก็เมื่อขันห้านี่มันยังมีอยู่ตราบใดแล้วทุกขวเวทนามันต้องมีอยู่ตราบนั้นแหละเราจะหลีกไม่พ้นเลยะเมื่อขันหานี่ยังมีอยู่นะนี่มันต้องสอนใจตัวเองให้รู้แจ้งอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ทํายังไงอ่ะอภาษาตราสสอนให้รู้เท่านี้ ไม่ใช่สอนให้ละละไม่ได้เมื่อขัหนห้ายังมียังมีอยู่เนี่ยจะไปละทุกข์ไม่ได้เลยละได้มันก็ไม่ดับในเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่โน่นและขันห้านี่แตกดับไปนั่นแหะทุกข์นี่มันจึงจะหายไปแต่ว่ามันหายไปแต่เฉพาะแต่ขันหาเนยเท่านี้นะถ้าว่าจิตใจมันยังยึดเอาเหตุแห่งทุกข์ไว้อยู่มันก็ไม่ฟังนี่แหละ มันก็ไปก่อทุกข์ในในพบหน้าต่อไปอีกอ่ามเวยนยังเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนาเพ่งจีนาสัมผัสอันนี้ให้มันเจ่มแจ้งในใจเมื่อมันรู้เท่าสัมผัสอันนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาในจิตนี่น ะ, ะเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เอา้าแบบนี้ สังขารมันกําลังแปรปวนมันจะแตกจะดับนี่เรากําหนดรู้แล้วไม่ใช่เรานะเราไม่มีอยู่ในนี้หรอกกระเตือนใจของเราให้รู้ไว้เราไม่มีอยู่ในนี้นะระวันมีแต่สังขาร น, นามรูกเท่านี้แหละมันแปรปวนมันจะแตกแกดับเมื่อเมื่อปัญญามันเตือนจิตสอนจิตให้รู้ตัวอย่าง น, านี้จิตมันก็รู้สิจิตก็รับรู้ตามปัญญานะนะั่นเอง เมื่อจิมรับรู้อย่างนั้นนะมันก็ไม่วันไหวแล้ววันนี้นะอะโอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านจะไม่ได้รับรู้กับความทุกขเหล่านี้ไม่มีรับรู้เหมือนกันหมดเลยนะกับปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่าท่านรู้เท่าเท่านั้นนะมันต่างจากคนธรรมดาสามัญนนะท่านรู้เท่าท่านรู้เท่าแล้วท่านไม่วันไหวท่านรู้เท่าอย่างไงท่านรู้ว่า ขันห้าตังหากมันเป็นทุกข์อืมไม่ใช่เราเป็นทุกข์เราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราอืมท่านรู้แจ้งอย่างนี้ตามเป็นจริงแนะเพราะฉะนั้นนะ่ยเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นนะท่านก็จึงไม่หวั่นไหวเลย <c oughs> แต่คนธรรมดาสามัญไม่เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันวิสุทิจารณ์โอ้ยเราเจ็บตรงโน้นเราปวดตรงนี้นักหนา เราจะตายแล้วเราจะตายพรดผ้าจากลูกจากเมียจากหัวไปแล้วบนที่ไร้ลําพันในใจเข้าไปอย่างไงมันมีเรามีเขาไปหมดเลยอ่ ะ, อะมันจะไม่ให้มันเป็นทุกอย่างไงแล้วนั่นเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนากลับกันเลยแบบนี้อแต่ก่อนเราสําคัญามีเรามีเขาอ่ะมาปัณนี้ไม่แล้วไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี้เลย ก็ต้องอย่างเนี้ยเรียกว่าเราเตรียมตัวน ะ, ะเราเตรียมตัวไว้เสมอเสมอทุกคนต้องได้พบกับความตายนี่เหมือนกันหมดเราจะได้มาพบกันเราจะได้อบําเ พ, พ็ญกุศลคุณงามความดีร่วมกันก็เวลามีลมหายใจเขาออกอยู่นี่เท่านี้ยถ้าใครลมหายใจใครหยุดลมก็ได้แล้วก็แล้วกันไป เอ้าคนคนใดมีลมหายใจเข้าออกอยู่กับดำเนินพายมันก็อย่างนี้นะโลคสนิวัติอันนี้เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราอย่าให้มันละโลกนี้ไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจอะไรละห้อยต่างๆนี่นะอออันนี้สรุปแล้วนะอย่าให้ละโลกนี้ไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจอะไรให้ให้ละโลกนี้ไปด้วยความที่ใจเป็นกลางเลยออ นั่นละทําใจใเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เออมันจะไปไหนก็ไปเท่ันั้นน่ะไม่ต้องวิตกหรอกว่า เ, ออเราตายแล้วจะเกิดที่ไหนเนาะไม่ต้องว่าขอได้ทําใจเป็นกลางลงไปก็แล้วกันนะในปัจจุบันนี้แหละอืมหรือเวลาจะจวรจะชิ้นซีบทําลายขันอ่ะเราพยายามทําใจเป็นกลางลงไปแล้วอย่าไปวิตกเลยว่าจะไปเกิดที่ไหนช่างมัน เราไม่ต้องคำหนึงบุญกรรมมันแต่งเองหรอกถ้าหากว่ายังไม่พ้นจากโรกสงสารอันนี้น่ะบุญกรรมมันแต่งเองแต่เราแต่งกี่ขรังเรานี้ให้เป็นกลางให้มันได้เท่านี้พอแล้วเคร่งเกินไปมันก็ขาดเพราะศาสตราเปรียบว่าเหมือนกระสายพินถ้าไปทําให้มันตึงเกินไปแล้วพอดีดเข้าไปก็ขาดแล้ว ถ้าทำให้มันยานเกินไปดีดมันก็ไม่ดังต้องทำให้มันพอดีพอดีไม่ให้มันตรึงเกินไปแลยไม่ให้มันหย่อนยานเกินไปพอดีดเข้าในเสียงมันก็ดังไพเราะนี่การทำคามเพียนในพริษัทพนานนี่ก็อย่างนั้นแหละอะไรก็ต้องให้พอประมาณ การขบการชั้นอาหารก็พอประมาณอย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็รับเพียงวันละคาบเท่านี้เองเนี่ยวันละครั้งเท่านี้นั่นเียว่าพอดีพอดีสำหรับนักบวชไม่ได้ทำงานกักกรรมลาบากไม่ได้แบกได้หามไม่ไม่ได้ทำงานหนักงานอะไร ฉันมือเดียวหรือว่าข้างเดียวแล้วมันก็อยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่เรียกว่าพอประมาณบะเนี่ยพูดอย่างภาษาธรรมดาของเราเรียกว่ากินพอประมาณนอนพอประมาณนอนก็สําหรับผู้ใหญ่นี่นะ4ชั่วโมงพอสําหรับเด็กๆแล้วก็8ชั่วโมงอืมอย่างนั้น แล้วสำหรับผู้ทำความเพียร น, นี่จะเป็นผู้ยังน้อยอยู่ก็ตามก็ไม่ควรที่จะให้ถึงแปดชั่วโมงการนอนนะั้นอย่างมากก็หกชั่วโมงต้องฝึกเอาผู้น้อยก็ดีต้องทำความเพียรจนกว่าจะถึงเวลานอนก็จึงหลับจึงนอน แล้วก็เวลาหากว่าได้ไปอยู่รวมกันอย่างนี้ก็อย่ไปนั่งคุยกันเล่นเปิดไฟฟ้าคุยกันเล่นอยู่เนี่ยไม่ดีนะให้พากันเข้าใจเพราะว่าไฟฟ้านี่มันต้องเสียเงินให้รัฐบาลนะ่ะไม่ใช่ว่าเราใช้ฟรีๆนะนึกกันทุกคนนะช่วยกันประหยัดถ้าไม่ช่วยก็ประหยัดแล้วก็จะไม่มีเงิน ใจให้ไฟฟ้าเขาก็ยิ่งจะเดือดร้อนนะต่อไปต้องช่วยกันคิดกันอ่านอย่างนี้อย่างที่ระเบียบที่เคยพูดมาแล้วนั่น่ว่าว่าอย่างจะใช้ไฟฟ้าก็ไปถึงสามทุ่มจะดูหนังสือหรือจะท่องหนังสืออะไรเบาๆตอนกลางคืนอย่าไปท่องแรงถ้าจะท่องนะ ต้องใช้เสียงเบาๆไปถึงสามทุ่มแล้วต้องปิดไฟแล้วนั่งภาวนาหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่อพอถึงสี่ทุ่มก็จึงค่อยนอนนี่คนนอนไปอย่างนี้สำหรับคนยังหนุ่มอย่างแน่นี่มั่ก็บหลับไปรวดเดียวแลวสี่ชั่วโมงได้ ตื่นแต่ผู้ที่สุขภาพดีนอนหลับได้สนิทก็มักจะไปถึงสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็มีตื่นสำหรับผู้ประมาทแล้วนะพอตื่นแล้วมันก็บิดขี้เกียจไม่ลุกอย่างนี้นะไม่ดีทาทำให้เกิด ทำให้เสื่อมจิตใจเสื่อมจากคุณธรรมจิตใจถอนจากสมาธิรักษาสมาธิไว้ไม่ได้คนเกียดคร้านนะเป็นอย่างั้นกินพอประมาณนอนพอประมาณนั่งพอประมาณนั่งเท่าไหร่พอประมาณนั่งอาจนจิตมันสงบ ถ้าจิตไม่สงบไม่ลุกตายเป็นตายมันกลัวตายมันก็สงบลงได้ไม่ต้องกลัวตายการนั่งสมาธิภาวนาถ้าใครยังกลัวตายจิตไม่สงบนั่งลงไปแล้วจิตมันฟุ้งซ่านบอกมันมันไม่ยอมสงบก็ไม่ถอยอ่อ โน้มสติเข้าไปเรื่อยเพ่งเข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเอ้มันปวดแข้งปวดขาปวดลงไปทําไมมันถึงไม่สงบมันไม่สงบก็ให้มันปวดอยู่นี่แหละอย่างงี้นะเพ่งสะกดจิตนั้นลงไปพอเราอดเราทนเราทำสติเข้มแข็งเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอย จิตมันก็อ่อนกำลังลงอ่อนความคิดอ่อนที่มันคิดพุ่งไปในอารมณ์ต่างๆมันก็อ่อนลงอ่อนลงในทีสุดมันก็สงบลงได้นี่บทเด็ดเดียวก็ต้องให้เด็ดเดียวถ้าว่าจะว่าให้ถูกกล้องจริงๆแล้วก็ การทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้นั่นแหละนั่นเรียกว่ามัดสิมาปฏิปทาทางสายกลางอันนี้พากันเข้าใจแล้วก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้